วันนี้มีเปิดให้จองอยู่วัดให้คนที่ไม่เคยมาอยู่วัดจองก่อนนะพวกเคยแล้วเอาไปทีหลังถ้าเหลือแล้วอยจะให้แต่มันไม่เคยเหลือนะเราไม่ต้องเสียใจว่าไม่ได้อยู่วัด เราเป็นชาวพุทธต่อไปได้อยู่ทุกคนนะไม่ต้องแย่งกันนะมีสิทธิ์มาอยู่วัดก็ไม่ได้มีอะไรต่างกับอยู่บ้านหรอกถ้าภาวนาเป็นมีข้อดีกว่ากันนิดหน่อยตรงที่ว่าเราไม่มีภาระอยู่บ้านมันมีเครื่องกวนใจเยอะ อยู่ในสิ่งแวดล้อมเก่าๆอยู่กับคนเก่าๆอะไรเงี้ยมันดูกิเลสยากอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเจอคนใหม่ๆเราดูกิเลสง่ายกว่าอย่างกลางคืนเนี่ยมันมืดที่นี่มันป่านะใครจะมาอยู่พอกลางคืนเนี่ยน่ากลัวหวงเวงรู้จักไหมหวงเวง มองไปทางไหนก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นคนอื่นไม่เห็นอะไรมืดมืดมีแต่ เ, เสียงสัตว์ร้องที่สัตว์บางตัวเนี่ยเสียงก็น่าฟังนะสัตว์บางตัวอย่างนกตบยุงเนี่ยร้องเพราะใครเคยได้ยินนกนกตบยุงมีคนสองคนหนึ่ง มันร้องน่าฟังนะจุ๋งจุ ง, จงน่ฟังถ้ากลางวันนี้ก็นกเยอะมีนกอยู่พวกนึงนะตอนอ่านตานะําราเนี่ยบอกมันมันร้องว่าเจ๊กโกหกเจ๊กโกหกนกบ้าอะไรมาร้องเจ๊กโกหกคนไทยก็โกหกนะมันมีจริงพอได้ยินเสียงเออ ม, มีจริงๆนไะ นกกะระลาหัวงอกร้องเจ๊กโ o g เช๊กโก g h นะ <c oughs> นกบางตัวก็ร้องเพล้อร้องบังเวงอยงนกพวระดกนะ่ะมันไม่ร้องเหมือนในเพลงนะร้องโ ogh โ ogh โ o กมันไม่ร้องงนะั้นหรอกนกตีทองเนะี่ยร้องเหมือนการตีทองจริงจริงตีทองคําเปลวเสียงเหมือนเปียบเลยน อยู่กับธรรมชาตินะสงบสบายไก่มันก็ขยันร้องชอบร้องสารพัดนกที่นี่นกบางตัวมันชอบมากินลูกใส่กินเสร็จแล้วก็ร้องแหวอ้ออาจารย์นาเลยบอกอ๋อมันบอกว่าไม่อร่อยกินแล้วร้องแหวะแว นกที่ร้องแหวะๆนี่ยคือนกขุนทองนกขุนทองเนี่ยมันเรียนเสียงคนได้เมื่อก่อนคนงานรุ่นก่อนๆ น, นะมีไม่กล้าไปทํางานแถวกรุงหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเลี้ยงกุูมันทองไปเราได้ยินเสียงเด็กพูดแล้วมันถามว่ามันพูดว่างไงฟังไม่ออกแต่รู้ว่าเป็นเสียงคนนเะต่พูดอะไรไม่รู้ ที่แท้เนอขุนทองมันพูดมันไม่ใช่กูมันทองแต่มันเป็นขุนทองเห็นไหมว่าในวัดโดยเฉพาะวัดหลวงพ่อนี้นะมันเป็นป่ามันชิดกับป่าสัตว์้าเข้ามาอยู่มาอาศัยอยู่ในนี้เยอะแยะอยู่กันอย่างสงบสันติมีความสุขช่วงนี้ ลมหนาวแรงขึ้นไอกลิ่นชีไก่ก็จางไปแดดแรงด้วยถ้าช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศชื้นๆเลยที่วัดเนี่ยจะเหม็นกลิ่นชี้ไก่ไมันมีโรงเลี้ยงไก่อยู่ตรงนี้ตอนนี้ไม่เหม็นถ้าดมให้ดีดมให้ดีรู้วในวัดเนี่ยจะมีดอกไม้หอมจะหอมสลับกันเช้ายานันค่ําเลยกลางคืนก็หอมไป มีอีกพวกหนึ่งดับไม้หลายชนิดบางพวกก็หอมกลางคืนบางพวกหอมกลางวันบางพวกหอมบ่ายๆะรมีสลับกันแปเห็นไหมว่านี้น่าอยู่เห็นไหมต้นไม้มีสัตว์มีนกมีดอกไม้หอมผีก็เยอะ ช่วงหน้าหนาวก็ดียุงน้อยช่วงหน้าร้อนยุงชุมกับแมงวีแมงวีร้ายกว่ายุงอีกแมงวีนี่ยแทะเนื้อสดๆ ส, ส, ส, สรุปก็คืออยู่ที่ไหนนะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วเพียงแต่ว่าอยู่วัดมีเวลาภาวนาเยอะหน่อยไม่ต้องวุ่นวายขอแนะนําว่าคนมาอยู่วัดเนี่ยอย่าใช้โทรศัพท์ทิ้งมันซะ 5้าวันจะไม่ตายหรอกเล่นเฟซเล่นไลน์ยังมาอยู่วันเลยเสียเวลาให้คนท เ, เขาต้องการภาวนาจริงๆมาอยู่นั้นถ้าคนไหนติดเล่น Facebook เล่นไลน์เล่นอะไรออะไ ร, IG, ะไรยนะอยู่บ้านเถอะอยู่ที่ไหนก็ฟุง้งซ่านเหมือนกันวัดช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอก เนื่นถ้ามาอยู่วัดนั่งอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองเราจะได้ประโยชน์สูงสุดอีกสักครู่หนึ่งก็จะให้คนที่ต้องการลงชื่อไปลงชื่อที่โรงอาหารสองโรงอาหารตรงเนี้ยติดกับห้องครัวนี่พระจะไปสเตนบายรอรับ ไม่มีการตรวจอะไรนะเลขบัตรประชาชนว่าเคยอยู่บัดแล้วอะไรเงี้ยไม่มีนะใช้ความซื่อสัตย์ของตัวเองคนไหนเคยมาอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งไปสมัครไว้บ้านหลังท้อยว่า ก, กันถ้ามีที่ก็ค่อยมาสมัครนะใช้ระบบกิติยศของเราเองซื่อสัตย์มีบางคน เคยนะเพืเคยมาอยู่ในปีเดียวกันนะพอเข้ามาอยู่นะแล้วยังซิกแซกอีท่าไหนของเราเข้ามาอยู่ได้อีกแล้วภูมิใจภูมิใจว่าฉลาดเก่งหลอกพระสำเร็จนะเข้ามาได้หลวงพ่อเห็นหน้าแถวหน้าเนี่ยพวกอยู่วัดนี่ เคยแน่นอนนะศีลห้ายังไม่ได้ถือเลยจะมาภาวนาได้ยังไงไม่มีศีลห้าสอนไม่ได้สอนไม่ได้จริงๆนะไม่ได้แกล้งนะไม่ได้ว่าลงโทษนะคนไม่มีศีลสมาธิไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดปัญญาไม่เกิดวิมุตต์ไม่มีนะมรรคผลไม่เกิด เงินศีลสำคัญนะซื่อตรงสุจริตใจเราเคยอยู่วัดแล้วก็แบ่งให้คนเอียนบ้างคนที่คิดจะเอาเนี่ยใจมันแคบคนที่คิดเสียสละใจมันกว้างคนที่คิดเสียสละเนี่ยภาวนา ง, ง่ายไปได้เร็วถ้าไปส่งเงินบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ คงไม่มีเวลาตรวจกันบ้านช่วงนี้ก็ฟุ้งซ่านนะค่ะว่าไปติดทางโลกเยอะติดอะไ ร, รทาง<ค>โลกไข่ของนะคะพอไข่ของแล้วเราเจอลูกค้าเยอะแล้วเราก็เลยเหมือนกับเขาเรียกอะไรกระทบเยอะอ่ะแล้วก็เลยคิดเยอะแล้วก็ใช้คําบริกา ร, รเป็นเครื่องอยู่แต่ทีนี้พอมีคําบริกา ร, รก็จะใช้คําบริกา ร, รหลายตัวเยอะเกินไปนะคะก็สับสนอีกว่าจะใช้ตัวไหนดีอ่ะเอาสักตัวให้มันเด็ดเดี่ยวลงไป ไปพาวนาต่อพาวนาดีขึ้นแล้วเราเป็นฆรวาสต้องทำมาหากินมีลูกค้านะบุญแล้วจนะมาบ่นอย่างลูกค้าจู้จี้ลูกค้ามันไม่ได้พาวนาะมันก็อยากได้เปรียบที่สุดเรื่องธรรมดาทีหลังก็เอาซีดีหลวงพ่อไปแจกด้วยมานะเผื่อมันฟังนะวันหลังมันซื้อของเราไม่จู้จี้ มันไม่ได้อยากได้เอาเปรียบใครอะไรเงี้ยเอา้าต่อไปครับนะมำมศการหลวงพวออ่อค่ะเมื่อคืนเห็นความกลัวออืกลัวอะไรกล <c oughs> ัวผีกลัวความมืดกลัว <c oughs> ความมืดแล้วก็ว<อ>วได้ยินเสียงแล้วพอได้ยินเสียงปุ๊บจิตมันก็จะมันจะขึ้นวิถีปรุงมาแต่ไม่ทันได้ปรุงมัน เห็นความกลัวมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เบาไปเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวถ้ายินเสียงอีกมันก็ตื่นเต้นเห็นความตื่นเต้นและอยู่ๆมันก็รวมของของเขาเองรวมลงมันตัดสามสามสี่ครั้งค่ะในเวลาเดียวกันอแล้วยมก็ไม่ลืมตาเพราะว่าถ้าลืมกลัวจะเห็นอะไร การทำอีกเนี่ยข้อดีของการอยู่วัดอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยได้ยินเสียงเราไม่รู้ว่าเสียงอะไรบางทีก็มีเสียงคนเคาะประตูนะป๊อกป๊ป๊อก๊เนี่ยโอ้ฟังแล้วหัวใจจะวายที่จริงก็คือตุกแกตุกแกเวลามันจับมแมลงใหญ่ๆได้มันจะเอ า, มาแมลงเนี่ยขกกับผนังก่อนให้หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วมันถึงจะค่อยอ้าปากขยับขยับ กลืนเข้าไปเราก็กลัวผีมาข้อประตูมารายงานหลวงพ่อเป็นผีข้อประตูพาเรากลัวมากมากอกอย่ามาข้อประตูเลยมันก็ย้ายไปข้อหน้าต่าง <c oughs> <c oughs> จริงมันวิ่งไปรอบๆกุฎแลละ <c oughs> เรามีอะไรที่เราไม่รู้จักแล้วก็จินตนาการเอาค <c oughs> นั่นตัวที่ทําลายจิตใจเรานะคือความคิดของเราเอง <c oughs> เราคิดว่าตัวเนี้ยต้องมีสัตว์ประหลาดหรือมีผีมีอะไรน่ากลัว ถ้าอยู่จนชินนะไม่เป็นไรเมื่อคืนเลยไม่นอนนั่งสมาธิอพิงออหลังพิงเ <c oughs> ตียงอืที่เตียงก็เหมือนกันนะ <c oughs> บางคนมาเล่าว่าตั้งใจว่าจะไม่นอนกลางวันเนี่ยไม่นอนกลางวันนะพอลงไปนอนท่านนั้นนะมีคนมาตกไม้ใต้เตียงอะป้งป้งจะเด้งขึ้นมาอย่างรวดเร็วลนั่งนะมอกจะรักษาสัจจะแล้วต่อไปนี้ ไม่รู้ว่าอะไรนะตูก <c oughs> แกแกจะไปซ่อนอยู่ข้างในก็ได้ <c oughs> ไปภาวนามันยังไม่ใช่มักผลหรอก <c oughs> ไปดูเอา <c oughs> อต่อไป <c oughs> เวลากลัวมากๆแล้วเราไม่มีที่พึ่งเราก็ภาวนาใหญ่จิตมันก็รวม เวลากลัวๆเนี่ยพอนาแล้วจิตรวมง่ายกว่าตอนที่อยู่สบายๆปลอดภัยจิตไม่ค่อยยอมรวมเั้นมันรวมเดี๋ยวก็รวมเดี๋ยวก็รวมเนี่ยแสดงว่ามันกลัวได้ที่นะเนี่ยข้อดีของการอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ต้องใช้สติปัญญานะแล้วเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลย คิดถึงพระพุทธเจ้าพุโทโธพุโทโธขยันใหญ่เลยไม่กล้านอนเดี๋ยววันนี้ยังอยู่อีกวันหนึ่งใช่ไหมจะนอนหรือเปล่าเนี้ยฮะเอออย่าเปิดดังโอ้โหขุดอื่นเข้าก็แล้วกันอ้าวว่ามากราบนมัสการเจ้าข้าหลวงพ่อก็กลัวเหมือนกันนะคะแต่ก็ แต่ก็ก็อยู่ได้ค่ะก็เห็นความกลัวมากขึ้นเรือยๆกลัวอะไรกลัวผีเหรอก็บอกไม่ถูกค่ะกลัวความมืดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วมีเวทนาปวดหัวเข่าด้วยค่ะเดินจงกรมก็ไม่สะดวกเท่าไหร่ค่ะแต่ก็นั่งนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งขยับไม้ขยับมือจุดสําคัญให้มีสติคะะจุดสําคัญไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าเดินกระบวนท่านั่งอะไรเจมีสติก็ใช้ได้แล้วล่ะ เจ้าค่ะกมม็มีมากขึ้นนะคะเมื่อคืนโยมดีขึ้นนะขอบคุณค่ะเมื่อก่อนเคยส่งกันบ้านใช่ไหมเจ้าค่ะจาได้อยู่ค่ะจิตดีขึ้น จ, จิตคเคร่งเครียดน้อยลงค่ะอ้าวต่อไปใครจําเป็นขอที่จําเป็นนะอยู่ไหนนมัสการ์ค่ะมาจากสุราชค่ะ อาศัยฟังซีดีที่หลวงพ่อบอกว่าให้โยนะิโสนมัสการเอาว่าถ้าเกิดอยู่ไกลครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองยังขาดความต่อเนื่องแล้วก็สมาธิยังไม่ตั้งมั่นพอมาให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะให้ค่ะถูกแล้วก็ไปหาทางมันไม่ต่อเนื่องก็ทําให้ต่อเนื่องเหมือนไม่ตั้งมั่นก็รู้ทันเวลามันไม่ตั้งมั่น พุทโธไปไหายใจไปพะจิตเคลื่อนไปก็รู้ทันจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ไปเดี๋ยวมันก็ตั้งเองแล้วก็ฉลาดรู้ว่ามีจุดออนอะไรก็รู้วิธีหลวงพ่อสอนวิธีไ้เยอะแยะแนละ้วไปทำเอากับนมำส ก, การหลวงพ่อครับออส่งกันบ้านครั้งแรกครับก็ภาวนามาปีกว่าๆ ก, ก็เห็น ความโกรธได้เร็วขึ้นครับแล้วก็เห็นว่ามันหนีไปคิดมันเลยโกรธครับก็เลยจะมาขอคำแนะนำหลวงพ่อเพิ่มครับเห็นถูกแล้วล่ะนะไปเรียนรู้ตัวเองต่อไปดูเรื่อยๆไปจิตเราเปลี่ยนไปเยอะแล้วล่ะดูออกไหมดูออกครับนั่นแหละมันจ้าหน้าทึ้แล้วดูต่อไปอีกครับขอบคุณครับ กลับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งแรกค่ะหนูมาจากกระบี่ค่ะหนูใช้ได้แล้วละที่ภาวนาอยู่ถูกแล้ว <S <S ก็ฝึกให้สม่าเสมอไปทุกวันทำในรูปแบบนะททำสม่าเสมอหลวงพ่อดูออกคนที่ขยันภาวนาจิตมันมีกาลังแล้วจิตหนูถูกด้วยจิตไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกอย่างเสื้อเหลืองนะจิตหนูไปอยู่ข้างนอก อย่างเมื่อกี้เวลาเราดูจิตเราถลำลงไปดูนะอย่างเราจะรู้สมมติเราจะรู้ลมหายใจเนี่ยจิตเราไหลไปที่ลมคอยรู้ทันจิตที่ไหลๆนะ ค, คือของรู้ว่าถูกเป๊กเลยไป<อ>ทำต่อไปขอบคุณค่ะอยู่ไหนคนต่อไปกลับจมาสั ก, การมค่ะหลวงพ่อตื่นเต้นไหมมากค่ะมากเนาะค่ะ <c oughs> ตอนเตรียมมาแล้วว่าจะไม่ตื่นเต้นแต่มาถึงจริงๆมันตื่นเต้นมากไม่มีทางหรอกอย่าว่าแต่โยมเลยพระเจอหลวงพ่ อ, อยังตื่นเต้นเลยครัที่แล้วหลวงพ่อให้กันบ้านไปว่าให้ดูจิตก็ได้ดูกายก็ได้ค่ะหนูก็เลยไปปฏิบัติตามอืมก็ดูจิตไปทีนี้พอสู้ไม่ไหวจริงๆ ม, ม, มันฟุ้งมากๆหนูก็เปลี่ยนมาดูกายเออฉลาดแล้วเสร็จแล้ว พอนั่งไปมันง่วงคะหนูก็ลุกเดินแต่ทีนี้หนูก็รู้สึกว่าตัวเองชอบนั่งมากกว่าหนูไปเดินบ้างนะนั่งมากไม่ดีแต่ว่าหลังๆมันขี้เกียจมากๆนั่นแหละถ้านั่งแล้วมันจะขี้เกียจก็นั่งไปตามที่ขี้เกียจทามที่ดีลุกขึ้นเดินหรือลุกขึ้นทํางานบ้านค่ะเพาะหัวแห้งของหนูเนี่ยขี้เกียจ เบื่อก็ทําไม่สบายก็ทําค่ะเออต้องอย่างนั้นก็เลยวันนี้ก็เลยมาส่งกันบ้านเผื่อมากป่วยมากนอนลูกไม่ขึ้นก็นอนภาวนาอย่างนั้ใช่ได้นะค่ะยังเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวไหมค่ะก็เลยมาส่งกันบ้านเผื่อหลวงพ่อจะให้กันบ้านเพิ่มแต่ทํางานบ้านแล้วดูจิตไปค่ะดูจิตดีกว่าใช่ไหมคะหรือว่าทำแบบเดิมดีแล้วเดิมนะถ้าดูจิตได้ดูจิต ดูจิตไม่รู้เรื่องดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้พูดโทไปเรื่อยๆอยู่กันหลังฟัง youtube หลวงพ่อมาหนึ่งปีครับมผมปฏิบัติในรูปแบบมผมเห็นจิตที่เคลื่อนที่ออกมผมตามรู้ตามดูอย่างปกติเป็นอย่างที่มันเป็นอืมผมก็พิจารณาไตายรักสอน ล, ลงไปอีก<ม>แรกๆผมคิดนําแต่ตอนหลังผมเห็นว่ามันออโต้เองครับ ม, มันจะพับพับ พอไม่มีอะไร ม, มากระทบผมเห็นจิ ต, ตมันกลับเขาเ mm ้าสู่ฐานผมเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกแล้วก็พอลาไม่มีอะไรมากระทบมันก็จะวนลูปแบบนี้ทั้งวันถูกต้องไหมครับถูกไปฝึกอีกอ่าแล้วก็ผมเห็นบางครั้งผมเห็นร่างกายเรามีอยู่แต่จิตเราถอยค่อยๆถอยออกไปแล้วก็ไม่มีเราเป็นขณะขณะสักพักมันถอยกลับมาเข้ามามาหม่มีเราอันนี้คืออะไรครับธรรมดา เวลาจิตหลุดอกอกจากโลกของความคิดความเป็นตัวตนจะไม่มีเมื่อไรจิตหลงอยู่ในโลกของความคิดก็เกิดความเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วมันเคยชินนะที่จะคิดว่ามีมันเชื่อว่ามีใจลึกๆเราก็ตูวความจริงไปเรื่อยๆกายนี้ไม่ใช่เราความสุขทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอ ก, กุศลไม่ใช่เราแล้วสุดท้ายจิตก็ไม่ใช่เราถ้าเห็นอย่างนั้นได้ก็จะเข้าใจธรรมะ ไปทาอีกขอการบ้านด้วยครับเห็นกิเลสตัวไหนบ้างผมเห็นโทสะผมเป็นความหงุดหงิดผมเห็นความใจร้อนเออดีมีอีกตัวหนึ่งกูเก่งนะไปดูเพิ่มไป <ขอ S 1> ดูได้ถูกแล้วละ่ะขอบคุณหลวงพ่อครับเราอย่ายึดถือความคิดความเห็นเราเยอะนะยึดถือความคิดความเห็นเราเยอะเนะี่ยมันจะขัดแยง้งเยอะโทสะมันจะเกิดบ่อย คนเราทะเลาะ ก, กันมีโทสาเนะี่ยมีสองสาเหตุอย่างอห น, นึ่งผลประโยชน์ขัดกันอห น, นึ่งความคิดความเห็นขัดกันนั้นเราอย่างเรายึดในความเห็นของเราเนี่ยจะขัดกับคนอื่นง่ายถ้าเรารู้ทันว่าตอนเนี้เราไปยึดความคิดเห็นแล้วพอไม่ยึดนะมันเดือดเหตุหผลแล้วก็คุยกันง่ายนั่งอยู่ข้างหลัง กราบนมัสการหลวงพ่อครับที่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมไปบวชคือโชคดีได้เพื่อนที่เขาเอาพักเครื่องของหลวงพ่อนะฮะนั่งฟังคือฟังตลอดนะครับในระยะเวลาที่บวชก็รู้สึกสำนึกในบุญคุณนะครับก็ อ, อยากมากราบแล้วก็มีความรู้สึกว่าคือในการใช้ชีวิตปกติเนี่ยเราสัมผัสความสิ่งที่ไม่พอใจ สิ่งที่มันมากระทบนะฮะคือว่ารู้ปุ๊บสติรู้ปุ๊บเนี่ยก็ความโกรธมันเหมือนก็ดับไปนะฮะแต่เวลานั่งสมาธิเนี่ยจิตเนี่ยจะคิดแต่เรื่องงานนะครับงานจะเข้ามาตลอดอก็พยายามให้ให้มีสติแล้วก็นั่งต่อแล้วก็คิดแต่เรื่องงานตลอดอยากจะมากราบขอแนวทางหลวงพ่อครับผมจิตมันกำลังสอนธรรมะเรา มันสอนว่าจิตเป็นอนัตตาสังเกตไหมเราไม่อยากคิดเรื่องงานมันก็จะคิดเรื่องงานเวลาทำงานเราก็คิดอยากนั่งสมาธิเ น, นี่ย น, นะจิตมนันเรบาบังคับมันไม่ได้ดังั้นมันจะมันจะคิดเรื่องงานเราก็รู้เอามาเราก็ทิ้งมันไปยังไม่ใช่เวลาทำงานให้รู้ทันจิตที่ฟุงรรร้งซ่านะรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปที่มันไปคิดเรื่องงานก็คือจิตฟุ้งซ่านนั่นแหละ ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะครับผมไปฟังพระเครื่องบ่อยๆครับเน <ะ S 1> ี่ยผู้ผลิตพระเครื่องอยู่เนี่ยครับ <นะ S 1> รู้สึกดีมากเลยครับผมคือเวลาปฏิบัติเนี่ยตอนเป็นพระเนี่ยมีความรู้สึกว่า เ, เรานั่งสมาธิเราปฏิบัติเนี่ยแต่บางทีเราไม่มีที่ยึดเราไม่มีแนวทางแต่เวลาได้ฟังของหลวงพ่อเนี่ยมีความรู้สึกว่า เ, เราได้เห็นจิตได้ปฏิบัติครับผม หลวงพ่อก็สงสารนักปฏิบัตินะตอนหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลรับรองว่าหลวงพ่อภาวนาเป็นแล้วหลวงพ่อก็ออกไปดูสำนักต่างๆนะเห็นแล้วสงสารทําสมาธิไม่เป็นส่วนใหญ่ไปทําจิตให้นิ่งเฉยๆหรือเคลิ้มๆไปอีกบางสำนักก็ไม่ทําสมาธิเลยสุดโต้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะสมาธิที่ถูกต้องก็จะทําให้เกิดปัญญาที่ถูกต้อง มาธิที่ถูกต้องคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวะอย่างตอนเนี้จิตเราไหลไปคิดแล้วทราบไหมครับเนี่ยหันย่างเนี้ยทํากรรมฐานสักอย่างหนึง่งพุโทโธก็ได้อะไรก็ได้แล้วพอจิตมันหนีไปเรารู้ทันเราไม่บังคับว่าห้ามหนีนะหนีได้แต่หนีแล้วรู้ไวไวหน่อยครับถ้าไปไม่ให้มันหนีเนี่ยจะเครียดไปทำเอาไปทําต่อนะ มรส ก, การครับหลวงพ่ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนครับอ๋อ oh. ครับส่งการบ้างครั้งแรกครับผมผมฟัง youtube หลวงพ่อมาหนึ่งปีครับ hmm. ก็รู้ว่าตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆ hmm. ครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดเนี่ยผมคิดว่าจิตมันตั้งมั่นถึงฐานแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันถึงฐานจริงหรือเปล่าครับมันถึงบ้างไม่ถึงบ้างดูออกไหมมันวิ่งเข้าพี่หง อ, อกครับนั่นแหละรู้อย่างที่มันเป็นรู้ว่ามัน <น>ครับก็ปฏิบัติต่อไปเรื่อย ใ, ใช่ั้ยครับใช่อย่างขณะนี้เราบังคับจิตอยู่รู้สึกไหมรู้สึกครับเออรู้อย่างนี้ใช้ได้แล้วครับการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกหัดรู้สภาวะไปนะอย่างที่สภาวะมันเป็นเรารู้มันไปด้วยใจที่เป็นกลางอย่าไปชอบอย่าไปเกลียดมันกราบน้ำมันสกสารหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านครั้งแรกหลังจากฟัง youtube มาหลายปีก็บ้านไกลค่ะก็ บ้านไกลค่ะก็เลยทําตามลองพิจารณาดูในสิ่งที่หลวงพ่อเทศแล้วก็ลองทําตามได้พิจารณาแล้วว่ามันเป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อเทศก็ลองทําดูหลังจากนั้นก็เห็นความโกรธทุกครั้งที่เห็นความโกรธก็ไม่ได้ทําตามแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเห็นมันดักเออก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำนี่เป็นวิปัสนาหรือวิปัสสนึกแล้วก็ <c oughs> ที่ทําแล้วถูกต้องไหมคะมันถูกต้องกับจริตของเราหรือเปล่าถูก ตอนแรกอะมันทําวิปัสนาแล้วก็มันก็จําได้โอ้โกรธมันเป็นอย่างนี้เองอะไรเงี้ยมื่อไรกลใจเป็นวิปัสสนึกนะวิปัสสนามันมา ก, ก่อนวิปัสสนูมันมาทีหลังพนะอเรารู้ทันแล้วว่าอันเนี้ยเป็นวิปัสสนูอย่างจิตเราว่างไปหมดเลยรู้ทันนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็าหายไม่ต้องกลัว งั้นเราคอยรู้เท่าทันจิตตนเองบ่อยๆจิตเราเคลื่อนไปเรารู้เคลื่อนไปเรารู้จิตเราจะตั้งมัน่นแล้วเวลาเจอวิปัสสนูเราก็าจะผ่านได้มันผ่านเองแหละไม่ต้องกลัวต้องเจอทุกคนนี่บอกล่วงหน้าไว้ตอนนี้ยังไม่เจอเพราะว่าบ้านไกลต้องบอกไว้เยอะหน่อย <laughs> <laughs> ต่อไปภาวนานะจิตมันสว่างว่างอะไรงเงี้ย อย่าเพิ่งนึกว่าบรรลุมารคผลนะอ <Yeah. S 1> ให้สังเกตไปจิตมันว่างแตเป็นว่างอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยมันว่างอยู่ข้างนอกนะั้นทำสมาธิให้ใจกลับเข้ามาอยู่ในตัวเองคราวนี้ยกิเลสกลับมาอีกแล้วแนะสดงว่าว่างไม่จริงใช้หลักนี้นะสังเกตจิตตัวเองจิตเราไปอยู่ข้างนอกเรารู้ทันแต่ว่าไม่ได้ดึงจิตเอาไว้ข้างในนะอย่าไปดึงแค่ว่ามันไปข้างนอกก็รู้มันไปข้างนอกก็รู้แค่นี้พอละ ล้วก็ได้จะคํำทางไปได้ดแล้วสงสัยนะก็กกไปยกมือไหว้จอแล้วก็เปิดยูทูบสุ่มเอารับรองว่ามีคำตอบเอาพิาหารนั้นเนี่ยพระเครื่องรรการธรรมสถารหลวงพ่อครับก็ใช้วิธี ภาวนาบริกรรมพุทโธธรโมสังโฆแล้วก็รู้ลมหายใจด้วยครับ<ม>แล้วก็คอยคอยรู้จิตคอยรู้จิตที่เกิดอะไรขึ้นเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้ว<ม>แล้วก็เวลาแบบอยู่โต๊ะทํางานอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็เคยเคยฟังซีดีเก่าๆเลยครับ<ม>ที่หลวงพ่อเคยเทศว่าให้ให้แบ่งช่องเป็นกิเลสราคะโทสะโมหะ<ม><ม>อย่างเงี้ยครับแล้วก็คอยติกต๊กติก๊ก รู้สึกว่าใช้วิธีคอยติ๊กเนี่ยครับรู้รู้สึกตัวดีมากเลยครับแต่ว่าเวลาที่ไม่ได้มีกระดาษอยู่อยู่ใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จะรู้สึกตัวชา้า บ, บางทีก็เลยแบบประยุกต์เอาเองว่าแบบใช้ใช้แบ่งนิ้วเ อ, เองแล้วก็กระดิกนิ้วว่านิ้วนี้เป็นราคาโทรศัมอหาอะไรอย่าเงี้ยครับก็อยาให้มันเป็นภาระนะ ไม่ถึงข oh, <okay. S 1> นาดว่านิ้วนี้ราคาโทสะโมหะราคาไปเท่านี้โทสะเท่านี้โมหะเท่านี้ใส่เลขเข้าไปด้วยนะอย่างนี้เหนื่อยอนะครับ mm hmm. ไม่ไม่ต้องซีเรียสหรอกที่หลวงพ่อให้ดูว่ามีราคาโทสะโมหะอะไรกี่ครั้งอะไรเนี่ยเพื่อให้หัดดูสภาวะะต่อไปจะได้ดูสภาวะได้เก่งพอสภาวะเกิดแล้วอย่างเราดูเห็นราคาเกิดบ่อยๆอย่างต่อไปพอราคาเกิดสติจะเกิดเอง เราไม่ต้องจงใจอันนั้นเป็นเทคนิคเป็นคนอุบายขั้นต้นเท่านั้นแหละเหนืนที่ทํามานี่อยู่ในทางไหมครับอยู่จิตมันก็ดีขึ้นล้วละครับไปทําอีกแล้วเราถามนิดนึงครับหลวงพ่อแต่ว่าเวลาเวลาแบบเล่นกีฬาอะไรอยเงี้ยครับแล้วมันแบบมันเหมือนมันบอกพูนอยู่ในเกมครัเหมือนกับคอยคิดคอยอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันรู้สึกปลงไม่ได้เลยครับ ก็ถูกแล้วละ่ะเวลาที่เราทํางานที่ต้องคิดรู้สึกตัวไม่ได้ในขณะนั้นเป็นเวลาเล่นกีฬาก็เล่นไปอ๋อครับก็ไม่ต้องพยายามจะรู้สึกอะไรเลย ไ, ไม่ต้องหรอกอย่าเล่นจนกระทั่งบาดเจ็บเพล้อกันครับแล้วผมต้องเพิ่มปฏิบัติในรูปแบบอะไรไหมครับในรูปแบบทําได้ทุกวันก็ดีนะไหวพระสวดมนต์นั่งหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปค่อยๆฝึกไป ถ้าเกิดที่ที่ทํามาผ่านมานี่ก็คือจะใช้แบบว่าบางทีอยู่โต๊ะทํางานอ่านหนังสืออะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ติ๊กเงี้ยครับติ๊กแบ่งช่องติก๊กอันนี้ถือว่าเป็นรูปแบบไหมครับก็เป็นนะแต่ว่ามันเป็นธาระเยอะไปอืมต่อไปไปไหนมาไหนเราก็ติดกระดาษนะอืเราตนะ้องเป็นอิสระให้ได้นะครับใช้กรรมฐานคือกายกับใจของเรารพึ่งของข้างนอกให้น้อย อย่างน้อยอย่างนี้คือก็ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปติ๊กแล้วใช่ไหมครับหรืว่าติ๊กเพื่อเพื่อให้จำสภาวะได้ดูสภาวะบ่อยๆจนจิตจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดต้องการให้สติเกิดเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้น<ม>ต่อไปนี้ถ้าราคะเกิดแล้วก็รู้ทันโทสะเกิดแล้วก็รู้ทันไม่ต้องไปติ๊กเหมือนและครับ<ม>อยู่ที่ไหน ค่ะกราบนรมัสการ์หลวงพ่อค่ะขอโอกาสนะคะเมื่อสงปีที่แล้วค่ะได้มีโอกาสฟัง YouTube ของหลวงพ่อค่ะตอนนั้นทำงานอยู่ที่ต่างประเทศอะค่ะก็รู้สึกหงุดหงิดนะคะเวลาฟังขอยอมรับเลยตอนแรกอะค่ะแต่ว่าก็ยังทูซีฟังไปเรื่อยๆอะค่ะเลยอยากจะขออาจจะคิดไม่ดีตอนที่ฟังครั้งแรกอะค่ะขอขอประทานอภัยด้วยนะคะหลวงพ่อ แล้วจิตมันก็ยอมแล้วก็นั่งนั่งดูดสภาวะจิตไปเรื่อยๆอะคะ่ะแต่พอเวลาหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่เข้าถึงฐานน่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าจิตของหนูเนี่ยเข้าถึงฐานหรือเปล่าเพราะว่าพอเวลานั่งอะ่ะมันก็จะเพ่งทุกทีอะคะ่ะพอเวลาเราเพ่งเราก็ไม่อยากจะนั่งเพราะว่ามันรู้สึกเครียดอะคะ่ะก็อยากจะนอนมากกว่าะคะ่ะหลวงพ่อ แต่พอเวลาจะนอนจริงๆเอาไปเปิดมือถือเอาโซเชียลมีเดียเล่นได้เป็นชั่วโมงหรือสาสิบนาทีแต่แทนที่เราจะนั่งต่อกับไม่นั่งอะค่ะอันนี้คือปัญหาค่ะหลวงพ่อก็อไปดู YouTube หลวงพ่อเล่นๆไปมันก็โซเชียลมีเดียเหมือนกันฟัง YouTube ไปชีชเกยียดก็ฟังขยันก็ฟัง แ ล, แล้วจิตถึงฐานนี้มันเคยยังไงอะคะอารมณ์ประมาณไหนอะคะหลวงพ่อเคยเห็นจิตที่มันวิ่งไปวิ่งมาไหมมันวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดใน <c oughs> ตอนนี้วิ่งไปคิด <c oughs> ทันทีที่เรารู้ว่าจิตวิ่งไปคิดนะจิตก็เข้าฐานเรียบร้อยแล้วแต่เข้าอยู่แวบเดียวเดียวไปคิดใหม่ก็ไหลไปอีกบางทีไหลไปดูเนี่ยก็ไม่เข้าฐานเรารู้ว่าจิตเราวิ่งไปดูแล้ว ก็เข้าฐานจิตจะเข้าฐานเนี่ยก็ตอนที่เรารู้ทันว่าจิตไม่เข้าฐานจิตหนีไปหัดรู้จิตที่หนีบ่อยๆแล้วจิตมีเข้าฐานได้เยอะขึ้นแล้วต่อไปมันจำได้ว่าจิตเข้าฐานเป็นไงพอมันจำได้นะมันอยากอยู่ในฐานทั้งวันเลยคราวนี้เป็นการเพ่งอีกแล้วกับข้างแล้วสุดโตงไป เราสังเกตไหมตรงที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลามาเนี่ยจิตเราโล่งสว่างขึ้นมาในขณะเนี้ยรู้สึกไหมค่ะรู้สึกค่ะนั่นแหละจิตเข้าฐานจิตเป็นผู้รู้ตรงนี้ไม่ใช่ละตัวตนี้แข็งแข็งไปแล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอ่อนโยนเบานุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวขยันในการรู้อารมณ์ไม่ขี้เกียจซื่อสัตย์ซื่อตรงในการรู้สังเกตไหมจิตเรา โล่งบ้างแน่นบ้างโล่งบ้างแน่นบ้างดูไปเลยนะมันแสดงใจรักตรงที่มันโล่งขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเราไปรู้ทันว่าจิตมันแน่นนะจิตมันโล่งขึ้นมาตรงนั้นแหละจิตเข่าฐานจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาอยู่ช่วคราวก็ไหลออกไปอีกแล้วนะดูออกไหมจิตไหลไปไหลมาดูออกค่ะแต่ตอนนี้คือหน้าอกมันเหมือนแบบสันๆนะคะคอเออนั่นแหละมันจะสันอย่างนั้นแหละ นะต่อไปพะจิตตั้งอยู่ในฐานแ ล, แล้วเราเห็นมันสันทั้งวันเลยแล้วคราวนี้เราจะรู้เลยว่านอกจากทุก์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะ ไ, ไรตั้งอยู่นอกจากทุก์ไม่มีอะไรดับไปให้มันสันไปไม่ต้องห้ามมันกราบธรสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งมาส่งการ บ, บ้านครั้งแรกค่ะป ปฏิบัติในแนวทางวิปัสนาประมาณเกือบสิบปีแล้วแล้วไม่ค่อยได้ฟังธรรมค่ะบังเอิญว่ากัลยาณมิตรเเกแลกเปลี่ยนคุยว่าปฏิบัติเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่าหนูติดนิ่งซึ่ ง, ซ, งซึ่งเวลาชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาหนูโกรธหนูโมโหหรือว่าอะไรจะรู้สึกตัวหมดทุกอย่างแต่เวลาเมื่อไหร่ที่นั่งสมาธิปุ๊บจะรู้สึกว่าตัวเองจะ ไม่ไม่ค่อยจิตไม่อยากจะเลื่อนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะรับรู้ความรู้สึกของทางกายก็เลยจะแบบจะพยายามทำจิตจะรู้สึกว่านั่งนั่งนิ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าชีวิตประจำวันจะรู้ว่าตัวเองทำอะไรคือมีสติแล้วก็รู้ว่าตอนนี้โกรธตอนนี้เกลียดตอนนี้ไม่ชอบหรืออะไรลักษณะ น, นั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างนี้จะต้องแก้ต้องแก้ยังไงคะว่าเวลานั่งเนี่ยต้องไม่ติดนิ่งดูสังเกตไหม มันมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้แล้วตัวนี้นิ่งๆต้องปล่อยให้ตัวนี้เคลื่อนไหวอย่าให้เหลือตัวนิ่งอยู่ในตัวเราเนะฉะนั้นตัวผู้รู้ของเรายังไม่มีคุณภาพมันรู้แบบเคร่งเครียดกำหนดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเหมือ น, น, นรู้อยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่รู้ที่แท้จริงนะอย่างขนาดนี้ใจไปคิดแล้วทราบไหมรู้ว่าไปคิด สังเกตไหมใจเรานิ่งทื่อๆอยู่ในขณะนี้มันทื่อๆอยู่รู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งนิ่งๆอยู่ไปฆ่าไอ้ตัวนี้ให้ตายซะต่อไปนี้ห้ามมีตัวนิ่งล่าหารหน่อยนะคนที่เคยฝึกกรรมฐานแบบที่หนูฝึกเนี่ยมันจะติดตัวนี้อยู่ตีติดข้ามพบข้ามชาตนะิแก้ยากน ะ, ะก็เลยขอเพราะมั น, นเหมือนกันว่าเรารู้ตัวได้ตลอดเวลา แต่ว่าเรารู้ตัวจริงนะแต่เราไม่ได้รู้ด้วยใจที่เป็นกุศลจริงใจของเราเครียดเรารู้ด้วยใจที่เคร่งเครียดใจที่เคร่งเครียดเป็นอกุศลนะใจที่เป็นกุศลนะ่ะไม่มีโลภโกรธหลงทุกวันนี้ทำไมเราฝึกใจของเรายัางเครียดเครียดอย่างเงี้ยเพราะเราโลภเราอยากดีเราอยากปฏิบัติใจมันก็เครียดไม่มีความสุข แห้งแรงแเราก็คิกว่า น, นี่กําลังรู้ทุกข์ความจริงไม่ได้รู้ทุกข์ความจริงกําลังสร้างทุกข์อยู่ปฏิบัติไปก็สร้างทุกข์ไปเพราะงั้นไปจัดการอย่าให้เหลือตัวนิ่งอยู่ปล่อยไม่ให้รักษาตัวนิ่งนี้แล้วก็พอจิตมันเคลื่อนไปก็รู้เฉยๆบางทีจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเคลื่อนไปอีกไหลไปอีกทะล้ำไปอีกรู้ทันไม่จะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะ ดีกว่าตั้งเอาไว้ตลอดเวล า, ถ, าถ้าตั้งไว้ตลอดเวลาแล้วบอกมาขยับอะไรก็รู้หมดโรคกรดหลงอะไรเกิดขึ้นก็รู้หมดเลยแต่มันรู้ด้วยจิตที่ทื่อๆจิตเที่ยงจิตเป็นอัตตาบังคับได้ควบคุมได้มันกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ง่ายนะเราต้องปล่อยให้จิตมันเป็นธรรมชาติมันก็เกิดดับเช่นเดียวกับความรู้สึกทุกอย่างนั่นแหละ นี่ถ้าตัวรู้ของเราคงที่เลยไม่เกิดไม่ดับเรารักษาไว้แข็งปึกเลยนะมันจะเข้าใจผิดมันจะสะสมความรู้ผิดเข้าใจผิดว่าจิตเที่ยงขอบคุณค่ะอยู่ที่ไหนนี่อยู่ด้านหน้าคนละฟังกั น, บบ น, นา ก, การนมัสการหลวงพ่อจ้าค่ะเออางงมาข้างเรกค่ะ อืมดีมิหน้าหลวกพ่อไม่เคยเห็นฟังหลวงพ่อแต่รู้สึกไหมว่าจิตเราเปลี่ยนไปค่ะมากเลยเราภาวนาถูกแล้วต่อไปนี้เราก็คอยรู้ทันจิตเราไหลไปเราก็รู้จิตไหลไปเราก็รู้ที่จริงแล้วการดูจิตเนี่ยเราดูสองอย่างา ด, ดูได้สองอย่างอย่างแรกเลยที่ดู คือดูความรู้สึกที่เกิดกับจิตใจเราเห็นใจเราสุขเรารู้ใจเราทุกเรารู้ใจเราดีเรารู้ใจโลภโกรดหลงเรารู้เนี่ยดูความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือดูพฤติกรรมของจิตจิตวิ่งไปทางตาจิตวิ่งไปทางหูจิตถลําไปคิดอย่างเงี้ยจิตมันกระโดดไปกระโดดมารู้จิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาพอเห็นค่ะเออนั่นแหละเราดูสองอันถ้าดู จิตที่เคลื่อนได้นะมันจะไม่ต้องดูอะไรต่อแล้วจบแต่ถ้าดูจิตที่เคลื่อนแล้วไม่เห็นนะมันก็เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเกิดสุกเกิดทุกข์อะไรขึ้นมาค่อยไปรู้เอาอันนั้นช้าไปอีกสเต็ปหนึ่งค่ะคือ ก, ก, ก็ก็เคยเห็นบ้างตอนมันวิ่งไปฟังตอนนั้นเผล อ, อหลับไปตอนทำงาน ม, มันจะวิ่งไปหาคนที่เรียก S <S ก็มาบังมองดูตัวเองนอนคอพับคอยอ่อนอยู่ตรงเก้าอี้ก็เลยเห็นจิตเราหนีทั้งวันนะะเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปคิดอะไรอย่างเงี้ยหรือมีใครเดินมามนก็หนีไปดูนะส่วนใหญ่ก็ไปคิดมากที่สุดลองลงมา ก, ก็ไปดูลองลงไปอีกเพื่อไปฟังนะสามช่องเนี้ยหนีบ่อยที่สุดหนีไปทางไหนรู้ว่าไปทางนั้นรู้ว่ามันหนีแค่นั้ น, นต่อแล้ว ยังอยู่ในร่องในลอยอยู่อค่ะ <c oughs> อยู่ไปฝออึกอยู่ได้ดีชัวร์ใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมถูก<ด>ต้องพุทโธน่ะดี <c oughs> พุทโธแล้วก็รู้ทันจิตไปพุทโธจิตสุขจิตทุกจิตดีจิตชั่วก็รู้พุทโธจิตลืมพุทโธแล้ววิ่งไปทางตาลืมพุทโธวิ่งไปทางหูลืมพุทโธวิ่งไปคิดไหไแล้วก็คอรู้ เราก็จะรู้ทั้งความรู้สึกรู้ทั้งการกิริยาอาการพฤติกรรมของมันฝึกไปเรื่อยๆนั่นแหละเรียกว่าเรารู้ทันจิตตัวเองพอไปปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าจิตนี้ทุกอย่างไม่เที่ยงจิตสุขทุกข์ดีชั่วนะจิตเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้มันเป็นไปเองตัวนั้นคือตัวปัญญาไปฝึกเอาไปมี คนนิดนึงก็คือวันหนึ่งไปวิ่งแล้วเท้ามันแผลงเท้ามันพลิกแล้วก็เลยก็เลยก็เลยไปเห็นอินังนี่มันมันจะร้องไห้อก็มันอยู่ข้างๆอันนี้มันมันถูกแล้วมันผิดจังะเราเห็นร่างกายมันเจ็บเห็นร่างกายมันร้องไห้ใจเราเป็นคนดูแต่ว่าไม่ต้องถอดจิตออกไปจากกายนะ แค่เห็นร่างกายมันร้องไห้ก็พอแล้วไม่มีตัวเรารู้สึกไหมอีนังนี่ไม่ใช่เราหรอกมันถูกเรารู้อยู่อะไรถูกรู้มันไม่ใช่เราเขาอยากให้หลวงพ่อช่วยดูกรรมพันธละของเขาเขาควรปรับอะไรบ้างครับก็ทำไปเรื่อยๆนะ ที่ฝึกมาเขาใช้ได้หลูมันเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะความรู้เนื้อรู้ตัวมันก็เริ่มมีขึ้นมาแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปส่วนใหญ่มันหนีไปคิดนี่จะช่วยจิตให้รู้ทันได้เร็วๆเ่าจะช่วยมันบริกรรมหรือหายใจไปบริกรรมไปก็ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทอย่างนี้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไม่ได้บริกรรม ไม่ได้หายใจเพื่อให้จิตสงบนะแต่บริกรรมหายใจเพื่อจะได้รู้เวลาจิตมันหนีได้รู้เร็วๆ เ, เ, เท่านั้นแหละถ้าเรารู้ทันจิตที่หนีไปเรื่อยๆต่อไปศีลสมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้นจะพัฒนาแล้วเราอย่าไปทาจิตให้นิ่งอย่างขณะนี้เราบังคับจิตให้นิ่งไปควบคุมไม่ให้มันเคลื่อนไหวขณะนี้ใจเราสงสัยใจเราสงสัยก็รู้ว่าสงสัย ใจเราไปบังคับอยู่เราก็รู้ว่าบังคับอยู่รู้ทันจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆอย่าตอนนี้ใจมันหนีไปคิดใจมันไหลไปคิดรู้ว่ามันไหลไปคิดนไหมใจมันมีความสุขมันเบิกบานรู้ว่ามันเบิกบานเนะี่ยตามรู้เป็นช็อตชๆอช อ, ชอไปเรื่อยๆคนสุดท้ายแนละ้วที่เหลือเดี๋ยวไปถามกับผู้ช่วยสอนนะ เขาใช้วิหารธรรมใช้ดูลมหายใจเป็นวิหารธรรมอยากจะขอหลวงพ่อช่วยดู ว, ว่าเขาภาวนาถูกไหมครับเขาภาวนาก็ใช้ได้นะหายใจไปแล้วรู้ทันใจของตัวเองไปหายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้หายใจไปจิตสงบ ก, ก็รู้หายใจไปจิตสุขจิตทุกก็รู้หายใจไปเรื่อยๆแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองฝึกอย่างนี้แค่นี้ก็พอละ กรรมฐานเนี่ยเราฝึกไปนะเพื่อจะมาอบรมจิตใจตัวเองให้มันฉลาดมันจะได้ไม่ทุกข์เพราะมันเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยเรียกว่ามันฉลาดละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเห็นได้อย่างนั้นใจมันก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปดังนั้นเราทํากรรมฐานเนี่ยเพื่ออบรมใจให้มันเฉลียวฉลาดรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้สงบเฉยๆนะ ไม่ได้ฝึกฝึกเอาความสุขไม่ได้ฝึกเอาความสงบไม่ได้ฝึกเอาความดีแต่ฝึกให้เห็นความจริงความจริงของกายความจริงของใจมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ถ้าใจเราเห็นตรงนี้ใจเรายอมรับตรงนี้แนละ้วต่อไปความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงใจเราไปฝึกอีกไปเอาต่อไปก็ชวนใครจะไปลงชื่อลง ไปที่ศาลาโน้นนะศาลา